สัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินยินทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีปัญหาของท่านพระสมพลสุพัตโนวัฒนากางนะครับตามที่ได้เกิืนเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับท่านสมพลได้เขียนถามมาว่า โยมถามอัตมาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วทําไมพุทธศาสนิกชนต้องยึดแปรตนตราใจเป็นที่พึ่งด้วยโดยกล่าวว่าพุทธังสยนังคัจฉามิธรรมังสยนังคัจฉามิสังขังสยนังคัจฉามิขอให้อาจารย์บรรยายธรรมพุทธภาสิต ท, ที่ว่า อัตตาอัตโนนาโถด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนผู้ฟังรายการทุกคนอาตมาขออนุโมทนาที่อาจารย์ให้ธรรมะเป็นทานด้วยแล้วก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์มีความสุขในธรรมตลอดไปอันนี้เป็นจดหมายของท่านพระสมพลจากวัด น, นากลางกรุงเทพนะครับ เรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนทําไมศาสนิกชนจึงต้องยึดพระตนัญไตรเป็นที่พึ่งอย่าว่าพุทธังสนังขจ า, ามิเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับความจริงก็ไม่ได้กัดแย้งกั น, นนะฮะคือว่าต้นเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ที่นี้ที่ชาวพุทธได้กล่าวถึงพระตนัญไตร ว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่แหลลึกอันนี้ความหมายจริงๆแปลตามตัวก็เป็นอย่างเนี้นะฮะแต่ความหมายจริงๆก็คือถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางเป็นผู้บอกทางหรือว่าเป็นไกด์นะครับกืเป็นไกดเป็นผู้นําทาง คล้ายๆกับว่าเรามีตาดีเนี่ยครับมีตาดีเห็นอะไรได้แต่ว่าถ้าไม่มีแสงสว่างแต่ทางที่เราเดินไปนั้นเป็นทางมืดเป็นที่มืดไม่มีแสงสว่างเราก็มองเห็นอะไรไม่ได้แม้เราจะตาดีก็พึ่งดวงตาของเรานี่แหละแต่ว่าต้องอาศัยแสงสว่างเพราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พึงในฐานะที่ว่าให้ท่านเป็นแนวทางหรือเป็นผู้นําทางหรือเป็นประทีปสองทางที่ว่าเราต้องเดินเองถึงมีประทีปสองทางมีไฟสว่างสวัยเหมือนกลางวันแต่ถ้าเราไม่มีตาหรือตาบอดถ้าคนตาบอดเขาจะมองอะไรไม่เห็นเหมือนกับว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่แต่ ถ้าเราไม่พึ่งตัวเองในการเว้นความชั่วในการทำความดีในการทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ทำเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้อันนี้คิดว่าท่านสมพลและท่านญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะเข้าใจคราวนี้ผมจะ อธิบายขยายความเรื่องนี้ให้ละเอียดออกไปสักหน่อยนะครับเพื่อความสมบูรณ์พระพุทธภาษิตเต็มๆในข้อเนี้นะครับมีว่าอัตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาถังรพติดุลพังแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ บุคคลผู้มีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากะตนซึ่งฝึกดีแล้วรวมความว่าจะพึ่งตนได้ก็ต้องเป็นตนที่ฝึกดีแล้วถ้ายังไม่ฝึกก็เป็นที่พึ่งไม่ได้คล้ายๆช้างมาเนี่ยครับเราจะพึ่งมันได้ต้องเป็นช้างมาที่ฝึกแล้วถ้ายังไม่ได้ฝึกเราก็พึ่งมันไม่ได้พระพุทธภาษิต ที่กล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปก็มีการกล่าวถึงอยู่เสมอครับถ้ามองในแง่ของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยก็จะจะเห็นว่าคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะว่าศาสนาอื่นๆหลายศาสนานะครับสอนให้พึ่งพระเจ้าถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งที่กเกษมของมนุษย์เ่าไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าแล้วก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระเจ้าเอาไว้เช่นว่าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในทุกขนทุกแห่งปรากฏอยู่ในทุกคนทุกแห่งเราใช้คำว่าโอมในพร e เซนต์ แล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างโอมนิไซส์แล้วก็สําคัญกว่าอะไรทั้งหมดเป็นโอมริโพชินสําคัญกว่าอะไรทั้งหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าต้นเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจากเป็นที่พึ่งได้ผมจะ กล่าวถึงความหมายระดับสูงก่อนนะครับในความหมายระดับสูงนี่ท่านหมายความว่าในการทําความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามคนเราเนี่ยครับต้องทําด้วยตนเองให้คนอื่นทําแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์พ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น ส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณต่างๆเราจะต้องทำเองเพื่อจะได้ฉันได้ครูดีสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับว่าถ้าสิทธิ์ไม่ยอมทําตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจที่จะศึกษาวิชาให้สําเร็จได้ว่าพ่อแม่จะดีสักเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลอเลอะดสักเพียงใดก็ตาม ถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่พ่อแม่จะไปบ่นสู่กันฟังพ่อแม่ส่วนมากไปเจอกันเข้าวก็ไปเล่าไปบ่นสู่กันฟังเล่ากันถึงลูกคนนั้นลูกคนนี้ลูกคนโน้น ถ้าเป็นลูกดีก็ชื่นชมยินดีถ้าเป็นลูกไม่ดีก็ช้ำใจ <c oughs> ไม่สบายใจแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้แหะครับที่ท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็ส่วนคนอื่นๆก็เป็นแต่เพียงองค์ประกอบก็เป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางแนะนําพร่ำสอนพระพุทธเจ้าเองก็ตรัส ว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่มีพระพุทธพจน์ว่าอักขาตาโรตถาคตาคาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกเมื่อเมื่ออยู่ในวัยเด็กนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเด็กก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้ทุกคนก็ต้องพึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ว่า เมื่อพึ่งตัวเองแต่ถึงยังไรก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่อยู่ด้วยเช่นว่าการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนแล้วก็เครื่องย่อยอาหารก็ต้องช่วยย่อยทีนี้มีประการหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันก็คือว่าเด็กๆเกนี่ยครับมีความน่ารักอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกคนหรือลูกสัตว์ ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามนะครับเมื่อมันยังเด็กๆอยู่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันน่ารักเหมือนจะเป็นดุลของธรรมชาติมันน่ารักแล้วคนก็อยากจะเลี้ยงมันโดยเหตุนี้ผู้ใหญ่ก็เลยอุปกายรักเด็กเพราะความน่ารักน่าเอนดูของเด็กยิ่งถ้าเป็นลูกของตัวเองด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักความเอ็นดูมากขึ้นทีนี้กล่าวถึงพระสงฆ์ให้เป็นจดหมายของพระสงฆ์นะครับ นอกล่าวถึงพระสงฆ์ที่ได้รับอุปการะได้รับอุป ร, รัมบำรุงจากพุทธบริษัทก็เพราะว่าท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านนั่นเองเป็นที่พึ่งเป็นที่พำนักว่าถ้าเป็นพระทุศีลเนี่ยครับก็ไม่มีใครอยากที่จะอุปผรัรมบำรุงเรามีพระเถระในสมัยพุทธกาลบ้างหลังพุทธกาลบางท่านจะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอ เวลาท่านได้รับความลาบากแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามาช่วยเหลือท่านก็ปลาบปลว่าเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ก็เป็นเพราะว่าศีนของท่านหรือท่านเป็นผู้มีศีล น, นึกถึงอุปกราระของเขาแต่ก็ในในขนาดเดียวกันก็ระลึกถึงคุณแห่งศีนของตนเหมือนกันเพื่อจะได้บําเพ็ญศีนให้ ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ปเป็นนิจ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่าให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเนี่ยโดยใจความก็คือว่าให้ถือเอาพระรัตนใจในฐานะเป็นผู้บอกทางตามที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะว่าเป็นแสงสว่างในหนทางไม่ใช่ เพื่อให้ท่านมาทําความดีแทนให้ความดีเราต้องทําเองต้องพึ่งตัวเองขอย้ำพระพุทธภาษิติกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเตือนว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปังอักขาตาโรตัทธคตาความเพียรเครื่องเผาบาความเพียรพยายามต่างๆท่าน ท, ท, ทั้งหลายต้องทําเองแต่ตาคดเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น ในที่บางแห่งนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งพระธรรมคือว่าให้ถือเอาธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามาธรรมก็จะพบแต่บาปเดินตามธรรมถ้าเดินตามธรรมก็จะพบแต่บุญบุคคล ตัวตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคนที่ต้องการให้ตนเป็นผู้มีคุณค่าก็ต้องทำตนให้ประกอบด้วยธรรมเดีย๋ยวเปี่ยมไปด้วยธรรมทีนี้มีข้อความอีกตอนหนึ่งในพระพุทธปาสิทธิที่อ้างถึงแล้วตะกี้นี้นะครับว่า บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานในความหมายเต็มรูปนะครับที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถจะถึงได้ด้วยวิธีเดียวคือการฝึกฝนตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสัมรวมในสีล ทำจิตให้เป็นสมาธิออกปมปัญญาให้รุ่งเรืองพระอาราตผลนั้นคือที่สุดของความดีของบุคคลว่าสิ้นสุดแต่งกระบวนการการทําความดีเพราะฉะนั้นบางข่าวท่านจึงกล่าวว่าความดีนี้ยิ่งทํายิ่งหมดครับความดียิ่งทํายิ่งหมดคือคือจบ ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนความช่วยยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดเหมือนเหมือนยิ่งวายยิ่งลึกลงทะเลลงทะเลยิ่งวายยิ่งลึกมีกรรมในพระบาทลีท้ายพระสูตเวลาพระสาวกได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้สาเร็จเป็นพระอรหันต ท่านจะลงทายด้วยคำว่ามุสิตังพรหมจริยังก็พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วก็แปลว่าท่านไม่ต้องทำทำเสร็จกิจของคารวะนี่ทำไม่เสร็จนะทำแล้วก็เวียนทำทำแล้วก็เวียนทำเวียนทำอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่เสร็จ เมื่อพระอนุรุตกับพระมาหานามจะออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าท้าวมาหานามผู้เป็นพี่บอกพระอนุรุตซึ่งเป็นน้องว่าจะบวชหรือจะอยู่ครองเรือนถ้าอยู่ครองเรือนก็การงานไม่จบนะแต่ถ้าบวชการงานจบได้คือทําทให้จบสิ้นได้ในที่สุดพระอนุรุตก็เลือกเอาการบวชแล้วท่านก็ทําให้จบสิ้นได้เป็นพระอรหันต กลับมาพูดเรื่องการพึ่งตัวเองต่อไปนะครับคนอื่นแม้ว่าจะจะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการพึ่งตัวเองพ่อแม่เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็จะเพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นนะครับเมื่อลูกเติบโตขึ้นพอจะหากินได้เอง พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่ามากกว่าที่จะเกาะท่านแจอยู่ตลอดชีวิต